บัดนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแกการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนยะแห่งคำถามที่ท่านอุทยะมานพได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจัดบอกอัญญาวิโมกแก่ท่าน พระพุมีภาคเจ้าจึงรับสั่งว่าลูกกรอุทยะเราจะบอกอัญญาวิโุกแก่ท่านซึ่งเป็นที่สงบระงับดับแห่งกามฉันและโทกนัตทั้งสองหลุดพ้นจากความง่วงนอนและปิดกั้นไว้ซึ่งความหงุดหงิดแห่งใจก็ความในพระพุทธดำรัสนี้ ในข้อที่พึงศึกษาและกำหนดอยู่สามช่วงด้วยกันช่วงแรกก็คือเรื่องของอัญญาวิโมกเป็นภาษาที่ไม่ค่อยจะพูดกันมากนักแคำว่าอัญญานั้นก็คือแปลว่าผู้รู้แล้วถึงหมายถึงวิโมกคือใจที่หลุดพ้นเพราะเกิดจานรู้ความจริงแห่งอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการนั่นเอง ห า, ากว่าท่านสาธุชนได้พิจารณาทบทวนถึงเรื่องที่ได้ศึกษาสดับสับฟังมาก็าจะพบว่าคำนี้ที่จริงไม่ใช่คำใหม่เพราะว่าเป็นคำที่พระพุทธเจ้ารับสั่งเมื่อตอนพระอัญญากนธัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมในปฐมเทศนาแล้วทรงใช้คำว่าอัญญาสิวัตโภกนธัญโดโกนัญญะได้รู้แล้วท่านผู้เจริญกนัญญะได้รู้แล้วท่านผู้เจริญ ธัญโกลธัญญาณั้นที่จริงชื่อจริงๆก็ชื่อว่าโกนธัญญาเท่านั้นแต่เพราะว่าเป็นผู้รู้ธรรมเป็นประจักษ์พยานในการสัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกจึงมีชื่อใหม่เพิ่มขึ้นว่าอัญญากลธัญญาแปลว่าโกนธัญญาผู้รู้แล้วแต่ความรู้ในชั้นนี้เป็นความรู้ระดับเบื้องต้นส่วนความรู้ระดับที่ทรงแสดงในที่นี้ เป็นความรู้ระดับสูงสุดซึ่งนันที่จริงก็เป็นความรู้ที่ต่อเนื่องกันปานั่นเองแต่นั้นคําว่าอัญญาวิโมกซึ่งอาจจะไปพบในที่อื่นท่านเน้นถึงอรหัตวิโมกคือจิตที่หลุดพ้นจากอํานาจของกิเลสด้วยการรู้อริยสัจสี่ตามความเป็นจริงในขั้นที่สมบูรณ์ที่สุดท่านจึงชื่อว่าอารหัตวิโมกเพื่อตอกย้ําลงไปว่า มเทศนาที่แสดงนั้นมีอรหัตหรือความเป็นประหันเป็นเป้าหมายสูงสุดนี่ก็เป็นหลักการในการแสดงธรรมะระดับสูงของพระพุทธเจ้าท่านใช้คำบาลีว่ามีอรหัตเป็นยอดเสมอคือจะเน้นหนักไปในการปฏิบัติระดับพัฒนาจิตให้มีความประณีตขึ้นไปแต่ถ้องมองถึงองค์ธรรม ในชั้นของการประพฤติปฏิบัติเราก็จะพบว่าอัตราข้อแรกอันเป็นเป้าหมายที่เรียกว่าอารัตวิโมกนั้นก็คือนิโรธสัตว์ในอริยสัตว์นั่นเองอาราตวิโมกเมื่อเกิดขึ้นก็จะทำหน้าที่ขรจัดกามฉันทะคือความพอใจในสิ่งที่ตนใคร่และโทมนัสก็คือโทสะ ความประทุษร้หรือความไม่สบายใจรวมสองประการออกไปและเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดไปแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความง่วงและความความหงุดหงิดงุนง่งงานภายในใจซึ่งที่จริงแล้วทั้งหมดนั้นก็คือพวกของสมุทัยสัตว์และแก่กลุ่มของกิเลสนั่นเอง ดังนั้นในที่นี้จึงแสดงเฉพาะผนฝ่ายดีกับเหตุฝ่ายไม่ดีแล้วก็หมายความว่านาตุวิโมกเองก็จะเกิดขึ้นได้โดยการปฏิบัติตามหลักของริ ม, กมักในองค์แปประการนั่นเองส่วนกิเลสเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เพราะเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เป็นเหตุแห่งความทุกข์รักษาไว้สึ่งความทุกข์ เระสงสอนในลักษณะที่ลดละลงไปแต่ภาพที่ปรากฏที่เห็นได้อย่างเด่นชัดนั้นก็คือว่าต้องการในเห็นว่าถ้าจิตได้หลุดพ้นอย่างนั้นจริงๆแล้วสภาพของกิเลสทั้งสลักษณะนั้นก็จะหมดไปจากใจสิจ่งทั้งสองนี้ไม่เกิดร่วมกันในจุดเดียวกันในขณะเดียวกัน เป็นวิธีในการเทศเพื่อกระตุ้นเตือนให้บุคคลมองเห็นผลที่ตนจะพึงได้พึงถึงและมองเห็นผลต่อเนื่องจากการได้การถึงสิ่งเหล่านั้นเป็นจะปลูกฝังยถาอุตสาหะให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้ศึกษาจะได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อได้รับผลที่ตนมุ่งหมายและผลที่ต่อเนื่องจากผลที่ตนมุ่งหมาย การดับกวรารมฉันก็ดีการดับโทมนัสก็ดีหรือการขาจัดความง่วงความหงุดหงิดออกไปจากใจได้ก็ดีนั่นเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการบรรลุธรรมเบื้องสูงซึ่งใครก็ตามเมื่อบรรลุธรรมเบื้องสูงแล้วอาการที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจทั้งสี่ลักษณะที่แสดงไว้นั้นก็จะไม่เกิดขึ้น ตึก็หมายความอีกโดยในย่าหนึ่งก็คือว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็แสดงว่าผู้ปฏิบัติยังไม่ได้บรรลุผลสูงสุดในทางศาสนาแต่ว่าโดยโครงสร้างของการประพฤติปฏิบัติก็เป็นโครงสร้างเดียวกันแต่ก็มีความสงบประนีตขึ้นไปเป็นชั้นๆปนัญหาที่พึงทำความเข้าใจในแง่นี้ก็คือว่า เรามักจะคุ้นเคยคำว่าอภิชากโะทมณนัทแต่ในที่นี้ทรงใช้คำว่ากามฉันทะกับโทมนัทในแง่ของถ้อยคำแล้วกามฉันกับอภิชาแตกต่างกันแต่โดยเนื้อหาโดยสภาวะของธรรมแล้วก็เป็นอย่างเดียวกันเพราะเป็นกิเลสประเภทที่บังคับใจให้สายมีความกำหนัดความพอใจความเพลิดเพลิน เระเองหลงข่อยคว้าต่อสิ่งท่างหลายและจะกระสิบใจบุคคลให้คว้าอยู่เรื่อยไปจนไม่อาจจะหาคำตอบว่าเมื่อไรจะอิ่มเมื่อไรจะพอได้พเมโธภาคแก้วก็ทรงสอนในแง่ของการบรรเทาความรู้สึกในลักษณะนี้มากเป็นพิเศษตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้ปรากฏแก่จิตของบุคคลเด่นชัดมากกว่าอารมณ์เราอื่น อารมณ์ประเภทโพมนัสกับประเภทรักใคร่กำหนัดเพลิดเพลินนั้นถึงสังเกตว่าเกิดขึ้นแล้วก็ยึดครองใจบุคคลได้ในช่วงที่ห่างกันความกำหนัเดเ้วยอหน้าของความเพลิดเพลินเริงหลงการ ข, ขวายคว้าปรารถนาต่างๆนั้นบางครั้งก็ลืมวันเวลากันไปเลยคราวนี้ลองสังเกตในกรณีของบุคคลเช่น ผูกเล่นการพ น, นันหรือกำลังทำงานอะไรแล้วก็มีเงินปรากฏเด่นชัดพวกนี้จะลืมวันเวลาไปเลยเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสประเภทโลภะนั้นจะเรียกชื่อว่าการมาชันทะหรือจะเรียกชื่อว่าอภิชยัยหรือจะเรียกชื่อว่าการมาตัญหาก็ตามมันเปลี่ยนแปลงสภาพจิตของบุคคลให้มีความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินนั้นอยู่ด้วยไปใจก็จะคว้า ปรารถนาสิ่งทางต่างไปเรื่อยและจิตก็จะสหารคตรผูกผูกพันอยู่กับความกำหนัดและสิ่งที่ตนกำหนัดความเพลิดเพลินและสิ่งที่ตนเพลิดเพลินไปจนไม่มีที่สิ้นสุดอย่างที่พระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าเป็นรูปธรรมให้ฟังว่ามีคนกลุ่มหนึ่งพระราชาบลงหนึ่งต้องการจะกลับจับกวางทองตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถจะจับได้เพราะแกมีความสลาดมากจึงรับสั่งให้ล้อมเป็นอคอกไวกว้างไกลมากกว้างมองไม่เห็นในขณะเดียวกันก็เอาให้น้ำหวานไปทาไว้บนใบไม้ที่กวางชอบกินกวางกินแล้วรู้สึกว่ารสชาติแปลกแล้วก็ติดในรสอร่อยเล่อนั้นกินไปเรื่อยๆ เดินไปเรื่อยๆเพื่ออำนาจกำหนัดเพื่ออำนาจของความเพลิดเพลินในความอริดอร่อยคือความหวานที่ตนได้จากใบไม้แต่พิเศษออกไปเนี่ยแล้วก็ลืมอันตรายที่เขาห้อมล้อมเอาไว้และในที่สุดก็เข้าไปสู่กรงล้อมโดยไม่รู้สึกตัวนี่พูดเพียงรสอาหารเพียงอย่างเดียวก็ทําอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลได้ของสัตว์ได้แล้ว ไม่ต้องกล่าวไปครบทั้งกรรมคุณทั้ง5่าอย่างที่ทราบกันดังนั้นสภาพใจในลักษณะนี้จึงมีการสารคตคือผูกพันด้วยสิ่งที่ตนกําหนัดและด้วยความกําหนดด้วยสิ่งที่ตนเพลิดเพลินด้วยอํานาจของความเพลิดเพลินและจะเพลิดเพลินยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ลักษณะทํานองคล้ายๆกับภาพที่เป็นรูปธรรม ให้บุคคลสังเกตว่าเวลามีเข้าของอะไรเช่นเขามีการโยนของให้แย่งกันอะไรแบบในวิธีกรรมต่างๆโปรยทานคือบางทีเพลินจนไม่ได้ดูอย่างอื่นไม่ได้มองอันตรายอาจจะหกล้มอาจจะเหยียบกันอาจจะหัวร้างข้างแตกอะไรไปต่างๆนานา นั่นคืออาการที่สะท้อนมาจากกามฉันทะนั่นเองเพราะนกิเลสประเภทเหล่านี้ถ้าแกได้แกก็เพลินไม่มีที่สิ้นสุดพอแกผิดหวังแกจะออกมาในรูปของโทมนัสหรือออกมาในรูปของการไม่พอใจจึงโยงใา้คัว่าโทมนัสโทมนัสจึงหมายถึงอาจจะออกมาในรูปโทสะก็ได้อาจจะออกมาในรูปของปากินตะทุก เรียกว่าโธมันัดก็ได้พวกนี้จึงอาจจะมองในแง่ของกิเลสก็ได้หรือมองในแง่ของผลได้ต่อเนื่องจากกิเลสก็ได้เอ่อแสดงไว้สองระดับด้วยกันก็ตกลงว่าในความรู้สึกพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินนั้นถ้ายิ่งได้ก็จะเพลิดมากยิ่งขึ้นถ้าพอไม่ได้ก็จะเกิดโกรธ หรือกิดโทรมนัสเกิดความทุกข์ใจลักษณะอาการเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามก็ทรงแสดงว่าถ้าสามารถกระทำให้ถึงอัญญาวิมโมกที่ท่านใช้ก็หมายถึงการบรรลุมรรคผลได้ก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีใจไม่กำหนัดแม้จะอยู่ท่ามกลางอารมณ์ สิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดกาวมาฉันก็ตามหรือจะไม่เกิดทุกโทมนัดไม่เกิดเสียใจในทรามกลางบุคคลผู้มีความทุกความโทมนัดความเสียใจหรือความครับแค้นใจข้อนี้เปิ้งสังเกตตัวอย่างตัวอย่างในชั้นที่สมบูรณ์ จริงเราก็พบเรื่องราวเหล่านี้มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ต้นไทรเชื่อจปานิโครดที่นางตันหานางราคานางราตีมายวยวนแล้วคือกิเลสเป็นเหตุให้เกิดกำนัดเพราะมีสิ่งมาช่วยยวนภายในพระทยของพระพุทธเจ้าไม่มีวันภาพการเคลื่อนไหวของนางทั้งสามที่ปรากฏในรูปรักษณ์ต่างๆซึ่งสามารถจะทาให้คนธรรมดาสมานสามัญหัวใจแหลกสลายได้นั้น ก็เหมือนกับบุคคลเอาก้ารบัวมาทุบที่ภูเขาก็จะทุบเท่าไรภูเขาไม่กระเทือนไม่หวัว่นไหวแต่ประการใดมีแต่การบัวจะพังไปหรือทานองที่ตัุหประมาว่าเอาไข่มากระทบหินหินนั้นไม่มีปัญหาแต่ว่าไข่จะแตกเล็ยไป ลักษณะอารมณ์ที่มากระทบใจของบุคคลไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้กรรนัดก็เป็นเช่นเดียวกันหรือในลักษณะของความทุกข์ความโทมนัสต่างๆอย่างคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับอยู่ท่ากลางหิมะที่หนาวเน็บมีผ้าปูบรรทุมอยู่เพียงผืนเดียวฮาธาอาลว ก, กะกุมานเข้ามาเฝ้าและกราบทูลถามว่าพระองค์บรรทมหลับสบายดีเลย พอาันหนาวเหน็บมรกเกินพระเจ้ารับสั่งว่าก็สบายดีบรรดาบุคคลที่นอนสบายในโลกนี้ตถาคตก็เป็นคนหนึ่งที่นอนสบายในโลกนี้นี่เป็นการเชี่ยเห็นว่าปัจจัยภายนอกแม้จะเป็นปรากฏธรรมชาติที่คนทั้งหลายหวาดกลัวแล้วก็ทนไม่ได้แต่พระพุทธเจ้า ก, ก็สรงทนได้ โดยการอดทนนั้นเป็นไปโดยอัตนโนมัติเพราะนนความทุกข์ความโทมนัดความเสียใจนะครับแค้นใจในลักษณะต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นตรงนี้ก็เน้นไปที่ตัวเหตุซึ่งผู้ปฏิบัติกรรมฐานจะพบว่าจะทรงแสดงไว้ทุกแห่งเป็นอย่างนี้เองโดยเฉพาะในโครงสร้างใหญ่ในแกะมหสติติปฐานใะนสูตรก็ทรงใช้คาว่าขาจัด ออกเจียซึ่งอภิชาและโทมนัสเหมือนกันแต่ตามปกติแล้วพวกโทมนัสนั้นเกิดขึ้นน้อยมันนว้ยแต่บุคคลมีปัญหาทางสุขภาพใจเพราะโทมนัสเวลาเกิดขึ้นแล้วมันอึดอัดมันมีลักษณะเหมือนกกดทับใจแผดพอใจให้เกิดความเราร้อนซึ่งผิดกับลักษณะของกามฉันหรืออภิชา จึงเกิดขึ้นแล้วสบายเพลิดเพลินก็เรียกว่าไม่ถึงกับสบายคือสนุกเพลิดเพลินสมัครบุคคลทั้งหลายก็าําให้อยู่ภายในจิตใจของบุคคลได้นานกิเลสทั้งสองประการนั้นจึงเป็นกลุ่มของสมุทัยสัตวและเมื่อละพวกเหล่านี้ไปได้ก็สามารถขจัดความง่วงนอนได้ สนใจคำเดียวแต่อาการของมันก็ปรากฏในหลายลักษณะด้วยกันก็คือสิ่งที่เรียกว่าธีนามิถะนั่นเองที่พระเจ้าทรงอุปมาเห็นว่าสภาพจิตของคนที่ตกอยู่ภายใต้ทีนามิทะจะมีลักษณะเหมือนคนที่ตกเป็นทาสของบุคคลอื่นจะมีความเดือดร้อน จะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปจะเปรียบเหมือนน้ําก็จะเป็นเหมือนน้าที่เต็มไปด้วยจอกแหนบุคคลจะส่องดูเงาหน้าก็มองไม่เห็นเมื่อแหวกจอกแหนออกไปก็มองได้น้อยหนึ่งจอกแหนก็ย้อนกลับมาปกปิดเอาไว้อีกจิตใจก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนั้นแต่นั้นเมื่อ สิ่งเราน้้นหมดไปทั้งสองประการลักษณะของถีนมิทะคือง่วงเหงาหาานอนซึ่งซึมง้งงอยเหงาหดหูหเคลื่อเครื่อนจืดชืดชาเย็นจนถึงเ ก, ก็งแต่แกเหนื่อยหน่ายในโลกในชีวิตในอารมณ์ทั้งหลายก็จะไม่เกิดขึ้นแต่นี่ก็เป็นผลที่ต่อเนื่องมาซึ่งในกรณีอื่นอาจจะพูดถึงการละพวกนี้แล้วก็มีผลเป็นอย่างนันน้นก็ได้ เพราะรเพราะว่าพวกกามาฉันนั้นก็คือกิเลสสายโลภะโทมนัสนั้นเป็นกิเลสสายโทสะแล้วก็ทรงแสดงว่าเมื่อดับพวกนี้ก็มาดับพวกถีนมิทธะกับกุกุจจาที่จริงในที่อื่นถ้าเรียกเต็มตรงเรียกว่าอุทธะกุกุจจาซึ่งเป็นโมหะกับโทสะปนกันแต่ในที่นี้ก็ทรงแสดงเฉพาะกุกุจจาแต่โดยเชิงก็การปฏิบัติแล้วก็ต่อเนื่องกัน ระหว่างอุทจกจักับกุปต จ, จัผลต่อเนื่องของธรรมะนั้นต้องดูที่ใจให้เห็นเช่นในฝ่ายของกุศลนธรรมจะแสดงหรือไม่แสดงกรหม่อความว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่ง น, งนี้ก็ต้องมีด้วยเช่นสติสัมมชัญญะเมื่อสติมีสัมมาชัญญะก็ต้องมีสัมมชัญญะมีแสดงว่าสติมีรหรือหกริโกตตปะ จะพูดหรือไม่พูดก็เหมือนกับพูดแต่ตามปกติแล้วจะแสดงคู่กันไปส่วนสติกับสัมปชัญญะบางทีก็อยู่ร่วมกันบางทีก็ไม่อยู่ร่วมกันในการจากกรัดกลุ่มธรรมเพราะอะไรเพราะในเชิงของการปฏิบัติเมื่อสิ่งหนึ่งมีชื่อว่าสิ่งหนึ่งมีด้วยเพราะเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องกันอย่างที่ท่านอุปมาว่าสตินั้นเหมือนบุคคลรวบรวมข้าวเข้ามา แล้วก็ปัญญาก็เหมือนกับการตัดดวงข้าวนั้นด้วยเขียวเป็นการกระทาที่ต่อเนื่องกันถือดูใกล้ๆว่าสตินั้นก็คือการระลึกว่าจะตักอาหารสามัญชนจะก็รู้ว่าจะตักอาหารแล้วสติระลึกก็จะตักอย่างไรสามัญญะก็รู้ว่าจะตัดตัดอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าตัดตรงนั้นจะตัดอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ตักมาก็เป็นอาการที่ต่อเนื่องกันไป ตอนพอมาถึงกลุ่มกิเลสล้วก็มีลักษณะเช่นนั้น่จะจะเป็นปัจจัยของกันและกันในแต่ละสายจะดับก็ดับด้วยกันจะเพิ่มก็เพิ่มด้วยกันในสายนี้ส่งแสดงในรูปดับหมายความว่าท่านโลภดับเมื่โกรธตรงก็ดับเมื่อโกรธดับหลงก็ดับแต่ตั้งปัญหาถามว่าดับตรงไหนก่อนที่จริงแล้วเราก็ดับโมหะมาก่อนนะคือดับความหลงมาก่อน เพราะอะไรเพราะว่าตัวยานนั้นบังเกิดขึ้นมาก่อนตัวยานความรู้บังเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อความรู้บังเกิดขึ้นก็ขาจาักความโลภปกถีนะหรือความ ง, ง, ง่วงงุนวงเหงาหานอนซึ่งซึมเงาเ ง, ง, งานั้นเป็นอาการของโมหะเมื่อตัวโมหะไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็มีไม่ได้แต่ลักษณะของอุทจักุกจกเกี่ยกการคุ้งสั้นสัดสายไปของจิต อาการสายไปของจิตนั้นเกิดจากจิตไม่ได้รับความสุขหรือไม่ได้รับความสงบอาจจะดูที่กายก็ได้แต่กาย ร, รู้สึกว่านอนสบายนั่งสบายยืนสบายแล้วก็ไม่กระสับกระสายแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่สบายแล้วจะมีอาการกระสับกระสายนี่ก็เป็นเหตุเป็นผลของกันอะกันหมายความว่าถ้าได้สุขก็ไม่กระสับกระสาย การที่กระสับกระสายแสดงว่าไม่ไดุ้บซึ่งอาจจะไม่ต้องถามด้วยทงไปพอสังเกตเออกจากอาการที่บุคคลเรานั้นแสดงออกมาดังนั้นลักษณะของอุทธจักุกขิจให้ลองสังเกตดูภายในจิตใจของแต่ละคนเองว่าไอ้ความฟุ้งซ่านนั้นจนถึงก็ออกมาในรูปรังคาญ น, นั้น ตัวการใหญ่จริงๆท่านใช้คาว่าเจตสุวะบูปสัมภคือเกิดจากความไม่สงบระงับแห่งจิตเทธถามว่าทำไมจิตจึงไม่สงบระงับท่านอธิบายเห็นว่าจริงๆแล้วความไม่สงบระงับแห่งจิตจนถึงออกมาเป็นรูปของความฟุ้งซ่านนั้นอาจจะปรารบสิ่งที่ได้ทำและไม่ได้ทำ สิ่งที่ไม่ได้ทำและสิ่งที่ไม่ได้ทำและได้ทาทั้งในอนดีตทั้งในอนาคตทั้งในปัจจุบันทำไมจึงพูดสองเรื่องเพราะในเชิงของการปฏิบัติอย่างที่เคยบอกอยู่เสมอว่าคำสอนในพระพุทธศาสนาหรือแม้ในชีวิตประจำวันของบุคคลมันก็คือเรื่องของการละชู่ประพฤติหรือปานะกับภาวนานั่นเองแม้แต่จะปอกผลไมใ้ใบเดียวมันก็มีปะหะาากับภาวนา คือส่วนที่จะต้องตัดทิ้งและส่วนที่จะเอาไว้จในการจะซักผ้าหรือจะตัดผ้าหรือจะทําอะไรจะตักอาหารมันก็มีปัญหาหักกับภาวะหรือส่วนที่จะต้องเอาออกไปกับส่วนที่จะต้องนําเข้ามาทีนี้เสร็จแล้วก็คือทํากับไม่ทําแต่ว่าในกรณีที่สร้างความวิตกกังวล น, นั้นอาจจะวิตกกังวลเพราะทําก็ได้เพราะไม่ทําก็ได้ เพราะอะไรเพราะว่าความชั่วบางอย่างที่ตนทําไว้ในอนดีตเมื่อเกิดนํามาเหนียวนึกก็ก็ให้เกิดเป็นความฟุ้งซ่านขึ้นภายในจิตใจเตือจะปรากฏกระทํานจักกระทําในขณะ น, นั้นๆคือตาสํานวนมาลีท่านถือว่าอนาคตใกล้มันเป็นอนาคตแต่อยู่ใกล้แล้วกันก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาก็ได้ เดี๋ยวจะสุขนึกถึงเรื่องที่ตนจะทําในอนาคตแล้วเกิดความฟุง้งซ่านเกิดความหงุดหงิดใจขึ้นมาก็ได้นี่แสดงเห็นว่าความฟุง้งซ่านเกิดขึ้นจากการกระทําแต่เป็นการกระทําความชั่วกระทําความผิดเอาไว้แล้วใจเป็นเหนียวนึกมาในสุดความสงบแหง่งจิตก็ค่อยๆหายไปหายไปโดยดําดับกลายเป็นความฟุง้งซ่าน พุ่งไปพุ่งมามันแก้ไม่ได้เรื่องมันผ่านไปแล้วพอ แ, แก้ไม่ได้ก็เกิดอาการหงุดหงิดขึ้นภายในจิตใจของตัวเองตอนนี้จะเห็นได้ว่าที่จริงมันเริ่มต้นด้วยโมหะแต่ไปออกเป็นรูปของโทสังบางทีนั้นเป็นความฟุ้งสั้นสั้นสายไปของใจที่เกิดจากการไม่ได้ทํา แต่ถามไม่ว่าไม่ได้ทําอะไรคือไม่ได้ทําความดีเพราความดีในช่วงนั้นในขณะนั้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในกรณีที่มาเห็นคนเห็นคนที่เขาได้รับผลแห่งความดีในเหตุการณ์ที่เขากระทาดีแล้วเราก็ร่วมอยู่ด้วยในขณะนั้นแต่พอดีเราไม่ได้ทําเขาทำเขาได้รับผลของความดีเราก็เกิดเสียใจเสียดายดที่คราวนั้นไม่ได้ทํา แล้วก็นำมาคิดฟุ้งซ่านไปใจก็ไม่เกิดความสงบแล้วก็ออกมาในรูปของความหงุดหงิดดี่ก็คือสภาพของกิตที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะอาศัยการทำกับการไม่ได้ทำคือถ้าออกมาในรูปของกิเลสตึงสังเกตว่าจะเกิดความฟุ้งซ่านหงุดหงิดภายในใจเพราะได้ทําความชั่วและไม่ได้ทําความดี แต่ถ้าออกมาในรูปของความสุขความสงบที่ประรบอดีตนั้นเกิดขึ้นมาจากการได้กระทำความดีและไม่ได้กระทำความชั่วตกลงว่าสิ่งที่มีติพลต่อใจของบุคคลที่ก่อให้เป็นความฟุง้งซ่านหรือไม่ฟุง้งซ่านความสงบหรือไม่สงบนั้นก็คงอยู่กับเรื่องของดีกับชั่วหรือปาชะกับภาวนาหรือบาปกับบุญ หรือกุศลกับอกุศลอยู่ด้านเดกเรองเหล่านี้ก็เป็นการแสดงลักษณะของโวหารเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นฐานทางความคิดของท่านอุทยามนที่ฟังอยู่ในขณะนั้นแท้จริงแล้วเป็นการแสดงหลักของอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการเพราะว่า จ, จะเป็นยุคใดสมัยใดก็ตามเมื่อ บุคคลปฏิบัติชอบตามหลักของอริยสัจทั้งสี่ไปกันการบรรลุมรรคผลนในชั้นต่างๆตามกฎเกณฑ์ขั้นตอนและเงื่อนไขที่ทรงแสดงเอาไว้ก็จะบังเกิดขึ้นแต่การแสดงนั้นไม่จำเป็นจะต้องแสดงเต็มก็ได้เช่นแสดงเฉพาะศีลสมาธิปัญญาอันเป็นส่วนของมรรคสัจ เมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาแล้วเมื่อทั้ง3ประการนั้นเข้าถึงความสมบูรณ์หรือแม้จะไม่สมบูรณ์เช่นว่าศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณก็สามารถที่จะกระจัดสังโยชน์ด้ระดับหนึ่งเป็นพระยาบุคคลได้และการที่ขจัดสังโยชน์ออกไปนั้นก็หมายความว่าเป็นการทำลายสมุทัยสัตว์ แต่สิ่งที่กระจัดนั้นเป็นผลร่วมหรือเป็นผลรวมของศีลสมาธิปัญญามีกำลังแก่กล้าสร้างเป็นรูปของแสงสว่างขึ้นมาก็ขจัดความมืดคือกิเลสออกไปจากใจไอแสงสว่างตัวนั้นเองก็คือตัวคนนิโรธซึ่งในที่นี้ใช้คําว่าอัญญาวิโมกไอลตัวความมืดนั้นก็คือพวกกามาชันพวกโทมานัตถินมิธาอุตจักกุกจักเฉพาะในที่นี้ เเรียกชื่ออย่างนั้นความทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครชอบไม่มีใครต้องการแล้วก็เป็นเพียงผลรื่งเกิดขึ้นมาจากกิเลสเมื่อตัวเหตุถูกทำลายไปผลก็จะพูดถึงหรือไม่พูดถึงก็ไม่สำคัญอะไรผลก็ชื่อว่าถูกทำลายตามไปด้วยตอนนี้บพงสังเกตว่า คล้าๆกัเราเอ า, มาเมล็ดพืชมาทุบทิ้งจะถามว่าจะปลูกงอกหรือไม่ก็ไม่ต้องพูดจะพูดไปก็เสียเวลาเปล่าเพราะยังไงมันก็เป็นงอกอยู่แล้ความทุกข์ก็มีลักษณะดิฉันเดียวกันว่าเหตุแห่งความทุกข์ถูกทำลายไปแล้วจิตเข้าถึงนิโรธแล้วเพราะความสมบูรณ์แห่งศีล ส, สมาธิปัญญาแล้วความทุกข์นั้นย่อมไม่เกิดขึ้น และการประพฤติปฏิบัติของท่านทั้งหลายโดยลำดับก็อยู่บนเส้นทางสายเดียวกันแม้ในปัจจุบันเมื่อประพฤติไปดำเนินไปผลก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบตัติต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความส ง, งบสืบต่อไป